นับตั้งแต่ออกออกพรรษา ม, มาไม่มีเวลาประชุมเทศอบรมพระบ้างเลยเพราะมีแต่การแต่งานยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดนี่หัวหน้ายุ่งคนเดียวเท่านั้นก็ทำให้ขาดผลขาดประโยชน์ สำหรับผู้มาศึกษาตั้งมากมายมีเราเทียบได้กับเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค ศ, ศาสดาเอกเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกทั้งสามจะกว้างขนาดไหนลึกซึ่งขนาดไหน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 ต้องขังทั้งหลายออกเป็นพักๆดังที่เราเห็นอยู่แล้วนี้เช่นเมื่อต้นเดือนนี้ก็ประธานอภัยโทษให้แก่ผู้ถูกคุมขังซึ่งควรจะได้รับอภัยก็ได้ออกไปตั้งมากมายนการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และสั่งสอนทมแก่โลก ย่อมเป็นเช่นนั้นแต่บ้าวขวางมากมายยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เป็นเพียงข้อเทียบเคียงเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกหลายขั้นหลายภูมิหลายอุปนิสัยที่ควรใจรับประโยชน์มากน้อยจาก าศาสนาธรรมที่ทรงประกาศสอนนั้นมีมีมากมากกว่ามากไม่อาจสามารถจัรณนาได้เฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้นับแต่วันตรัสรูแล้วจนกระทั่งวันปรินิพานทำประโยชน์แก่โลก45เพราพระพัรษา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 ทงเสียสละไปบวชแบบที่โลกโลกเขาไม่เห็นดีด้วยนั้นจึงพูดด้วยความหลับตาพูดด้วยความมืดบอดที่สุดอันเป็นการประกาศขายความโง่ความเลวสามของตนให้โลกที่มีสมบัติผู้ดีและศีลธรรมได้สลดสังเวชด้วยบุคคลประเภทนั้นจำนวนไม่น้อยเลยคนดังพระพุทธเจ้านี้เหลือเป็น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 กากอยู่ไปจมไปทุกไปเดือดร้อนไปหาทางออกไม่ได้หมุนไปเย็นมาเหมือนกันกับสัตว์ที่ถูกตาข่ายครอบงาพัวพันมัดไว้หมดทั้งตัวหาทางออกไม่ได้เท่านั้นคนประเภทนั้นจะทำประโยชน์อย่างไรให้โลกได้ได้ได้อย่างไรเล่าส่วนพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นการเสด็จออกก็ทรงมีเหตุผล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 ด้วยความตะเกียกตะกายได้รับความทุกข์ความลําบากถึงขนาดตีสลบถึงสามครั้งอย่างนั้นมีองค์ใดบ้างในประวัติของสาวกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแท้ๆมีองค์ใดบ้างยังไม่เห็นมีเลยน่นก็เพราะความแยบคายความเหมาะสมของพระพุทธเจ้าที่จะสทรงดําเนินโดยวิธีใดนั้นต่าง ก, กันกับพระสาวกและสัตว์โลกทั้งหลาย อยู่ไม่น้อยจะให้พระพุทธเจ้าทรงทาพระองค์แบบโลกทั้งหลายหรือเอาโลกมาเป็นแบบฉบับของพร ะ, อ ง, พระองค์นั้นจะเอามาเป็นแบบฉบับได้อย่างไรอันหนึง่งดผู้หนึ่งบาเพ็ญเพื่อจะลื้อถอนขนสัตว์ออกจากไตรภพรือทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ผู้หนึ่งไม่ได้มีความคิดถึงขนาดนั้นถ้าเป็นความดีความละเอียดก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น แล้วลดลงไปเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นผู้ติวมีแต่ความรู้หูมีตามีจมูกเิ้นกายมีเ็้าเท่ากับไม่มีพิษักแต่ว่ารู้รู้อยู่ด้วยความจมเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายเท่านั้นนี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าการบําเพ็ญของพระองค์นั้น ทั้งบําเพ็ญเฉพาะพระองค์และบําเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกสงสารนั้นต่างกับโลกอย่างไรบ้างพอที่เราจะถือเป็นคติตัวอย่างตามเสด็จพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ได้แบบครูทุกข์ก็เบียดก็ตามแต่ก็ยังได้ในแบบที่ว่าลูกศิษย์มีครูนี่แหละความ เป็นมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องโลกกธาตบัณฑหมในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดไปยังไงกระเทือนหมดไหมกรุงกบินลพัทจนได้เป็นพระประวัติเลื่อยมาจนทั่งถึงบัดนี้มีใครทำได้อย่างนั้นและเวลาตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนโลกเลื่อยมา พระพาลของพระองค์ที่ปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งวันปรินิพานที่แสดงไว้ก็มีอยู่ห้าประการตอนบ่ายประธานพระว่าแจกประชาชนนับแถบพระมหากษัตริย์ลงไปของวันหนึ่ง ตอนค่ำประทานพระาวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งที่เป็นพระสาวกทั้งที่กำลังมาเริ่มศึกษาเ ร, าเรียนศึกษาอบรมเป็นลำดับําดาเป็นประจำตอนกลางคืนดึกสงัดตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วก็ประทานพระโอาวาท และแก้ปัญหาของถวยเทพทั้งหลายซึ่งมนุษย์เราไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเทวดาชั้นนั้นๆหรือภพกำเนิดของเทวดาภูมินั้นๆเป็นอย่างไรบ้างมีรูปร่างสันถานอย่างไรเรายังไม่เคยเห็นแต่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นศาสตราบประกาศธรรมสอนโลกในเวลาดึกสงัดอย่างนั้นเป็นประจำทุกคืน เราฟังดูสิหนักไหมพระภารละของพระพุทธเจ้าและละเอียดไหมโลกไม่มองเห็นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนได้และยวนสว่างอีกก็ทรงแรงยานดูสัตวโลกด้วยพระเมตตาสงสารไม่ปล่อยวางอีกเช่นเดียวกัน ว่าสัตว์โลกผู้ใดที่ควรจะได้รับกระแสะแห่งธรรมแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอุปสรรคมาเป็นตลายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้บรรลุธรรมก็ทรงเสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนนี่ตอนเช้าก็เสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์ ด้วยพระเมตตาไม่ได้มุ่งแต่เพียงก้อนข้าวเท่านั้นอันนี้เพียงธาตุขันของใขรไ่รก็เยียวยากันด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เห็นเป็นของประเสริฐเลิศเลออะไรพอที่จะต้องบินท่าบาทถึงด้วยความเสียสะละทุกสิ่งทุกนาทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหน้ามุ่งตาต่อก้อนข้าวเพียงเท่านั้นพระองค์ไม่ทรงลำพึงหรือทรงคิดเช่นนั้น แต่ทรงลำพึงถึงสัตวโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยทวารใดต่างหากเห็นตาเขาเห็นเขาก็เป็นซี่มงคลแก่เขาเป็นทัศนานุตริยะการเห็นอย่างประเสริฐก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นแล้วการได้ยินได้ฟังก็เหมือนกัน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 ก็เพื่อประชาชน ญ, ญาติโยมที่เขาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่เขาทั้งได้ให้ทานสิ่งใดแก่ท่านผู้บริสุทธิ์พุโทโธหรือท่านผู้เป็นอัดเป็นธรรมย่อมมีอนิสงส์มากมายจากวัตถุทานของเขาซึ่งต่างกันอยู่มากกับการให้ทั่วทั่วไปนี่ท่านจึงเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่ละพระพุทธเจ้าของเรา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 พุทธกิจ5ประการนี้ไม่มีใครที่จะซ้าทาให้สมบูรณ์พูนผลได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยแล้วหนักมากปะเพียงไรพี่นานดูสิและทรงประกาศธรรมสอนโลกและทรงรับภาระนี้ตั้งแต่วันตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันปรินิพานล้วนแล้วแต่ทําประโยชน์โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกขมาตั้งแต่ขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นหยาบ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 นอกเหนือจากนั้นแล้วยังประทานพระโอวาทไว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ยังประกาศดังที่เราทั้งหลายทราบว่าห้าพันปีโลกกับธรรมที่จะพอเกี่ยวเนื่องกันไปได้พอได้รัโลกจะได้รับประโยชน์จากธรรมเพราะโลกมีธรรมในใจเป็นเครื่องรับธรรมจากศาสนาธรรมของพระเจ้าจะมีอยู่ถึงห้าพันปี ทมนี่ก็ประกาศสอนไว้เหมือนร่อ บ, บันไดค า, าดาไว้ทางนี้เปิดโล่งไว้เพื่อสุขติคือไปดีอยู่ดีจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินพรมเพราะการบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของเจ้าก็ให้ได้เห็นให้ได้พบให้ได้รู้ให้ได้รับนะีเรื่อยไปจนกระทั่งสิทธิสุดความสามารถอาจเอื้อมของสัตว์แล้วเพราะอำนาจของกิเลส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 นี่หละที่ว่าศาสนาหมดคือหมดจากจิตใจไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าหมดคำพีรก็ยัง ม, มีทุกสิ่งทุกอย่างมีในคำพีรมีในตำหลับตำลามรรคผลนิพพานก็มีบุญก็มีบาปก็มีอยู่ดั้งเดิมนั่นแหละแต่ผู้ที่จะรับหรือผู้ที่จะเลอกเฟ้นคัดออกซึ่งบาปบำเพ็ญเข้าสู่หัวใจซึ่งบุญทั้งหลายตลอดถึงมรรคผลนิพพานเหมือนดัง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 สัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนเช่นโยนกบโยนเขียดลงในหม้อน้าร้อนจะมีกี่ตัวโยนลงไปต่างตัวต่า ง, างก็เสือกกระสนกวนกว่าจนถึงขั้นตายแล้วใครจะมาคิดถึงความสุขความสบายถึงยาถึงเครื่องบำบัดรักษาได้ในเวลานั้นเล่านี่ก็เหมือนกันเมื่อสัตว์โลกได้ถูกยิ่เลดตันหาอาสวะประเภทที่รุนแรง ซึ่งสั่งสมอยู่ภายในตัวของมันเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นเต็มที่แล้วจิตใจจะมีความอัดเอื้อมหรือเล็ดลอดออกไปสู่อัจสู่ธรรมพอเป็นเครื่องเยียวยาหรือต้านทานขี้เด็ดอันเป็นฝืนไฟนี้ได้อย่างไรเล่านั่นแหละที่ว่ า, าศาสนาหมดหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดจากคำพีบาลานไม่มร์ลมร์ผลนิพานไม่ใช่หมดมร์ผลนิพานมีแต่ไม่มีคนทรงไม่มีคนเดิมดาเนินไม่มี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 มีหนำซ้ำยังได้พบพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังถึงขนาดที่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาตามแนวทางแห่งองค์ศาสดาที่สอนไว้ด้วยสวขขาธรรมคือตรัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นใครมีโอกาสก็พวกเราเป็นผู้มีโอกาสเฉพาะอย่างยิง่งเราเองเป็นผู้มีโอกาสอย่ามานอนหลับทับสิตตนอยู่เฉยเฉให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายซึ่งเคยเป็นภัยมาแล้ว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 เพื่อคุณแล้วย่อมปฏิบัติตามหลักธรร ม, มของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เป็นอื่นย่อมจะละได้โดยลำดับและสิ่งที่เป็นคุณก็ย่อมจะได้มาเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมที่เป็นธรรมโอรสนี่อันเดียวกว่ารื้อถอนขนสัตว์ออกจากโลกนี่เราก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้ว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 ให้พยายามละเบนในสิ่งนั้นถึงจะละเว้นยากขนาดไหนกิเลสมันเคยทำใครให้ง่ายให้พากันชิดเอาเรื่องของกิเลสแล้วไม่พาทำคนให้ง่ายให้สะดวกสบายเลยความโลภเกิดขึ้นดิน้นล้มดิ้นตายกระเสือกกระสนยิ่งกว่าคนเจ็บคนไข้คนป่วยเป็นไหนๆเราเคยเห็นไหมถ้าไม่เห็นดูใจของเราเวลามันโลภมันโลภอะไรนั่นหละความโลภนันะพาให้ดิ้นรนกรวนกวยกดแกร่ง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 ทั้งผู้โกรธทั้งผู้รับความโกรธทั้งสองฝ่ายนี้เป็นผู้ง่ายไหมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ลำบากเป็นผู้ทรมานผู้ตุผู้โกรธนี่ยเป็นผู้ทรมานอันดับแรกเพราะต้นตอแห่งฟืนแห่งไฟมันเกิดขึ้นทีน่นี่แล้วลุกลามไปสู่ภายนอกเผาลนกันไปหมดก็เลยเป็นไฟลามทุ่งร้อนไปตามๆกันเพราะเรื่องของความโกรธเป็นยังไงความโกรธทําคนให้ง่ายไหมเราพิจารณาสิถ้าว่ า, คว า, ว ค, าความโกรธทำคนได้ง่ายความโลภทำคนได้ง่ายแล้ว ธรรมของบูดิจ้าก็เหลวไหลโลเลหาหลักเกณฑ์มาได้จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเป็นเครื่องพร่ำสอนโลกให้มีความง่ายไปตามๆกันหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ด้วยอำนาจของกิเลสนี้เท่านั้นทมจะไม่มีอำนาจเลยแต่นี่เป็นอย่างไรบ้างเรามาพิจารณาสิราคาตัญหาเวลามันเกิดขึ้นมันทำคนให้ง่ายไหมมันดิ้นรนกรวนกรวายทั้งหญิงทั้งชายตัวผู้ตัวเมียกวดแกงไปหมด จนกระทั่งไม่มีศีลมีธรรมไม่ไม่มีมคำว่าฮิริโอตตปะหาอย่างอายไม่ได้หน้าด้านยิ่งกว่าหน้าผาของภูเขาสิเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละเป็นเครื่องฉาบทาให้ด้านคนคนเรามีราคาตันหามากเวลามันแสดงขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นมันทำคนให้ง่ายไหมนั่นทำคนให้กระเกษร์กรสนกรนกรไวยดินล้มดินตายฆ่ากันก็เพราะอำนาจแห่งราคะตันหา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 ความยากมันอยู่กับกิเลสตัางหากไม่ได้อยู่กับธรรมการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะหลุดพ้นจากสิ่งจากบ่วงมานทั้งหลายเหล่านี้มันจึงยากจึงยากเพราะบ่วงมานมันเหนียวที่สุดบ่วงมานคือกิเลสนี่เราแล้วไปหาโทษหาภัยตั้งแต่ธรรม่ไหมนั่นแหละกิเลสมันเอาเราเป็นเครื่องมือรู้ไหมถ้าไม่รู้รู้เสียบัตรนี้การประกอบความภาคเพียรการชําระกิเลสมัน ไม่ใช่ของง่ายมันจะง่ายอะไรตัวกิเลสมันตัวยุ่งตัวยากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดไม่มีอะไรเกินกิเลสการแก้กิเลสจึงต้องเอาทำทำเป็นโลกุตรธรรมทำเหนือกิเลสอยู่เสมอเมื่อนำมามาแก้ต้องแก้กันได้พระพุทธเจ้าภาษาวกอรหรันหลันล้วนแล้วตั้งแต่ผู้แก้กิเลสด้วยธรรมท่านั้นไม่ใช่แก้กิเลสด้วยกิเลสเอากิเลสมาแก้กันได้ยังไงต้องเอาธรรมมาแก้กิเลสในภากันพิจารณา การประกอบความภาคเพียนมาให้ดูดีดนะตามีดูให้ดีหูมีฟังให้ถึงใจนำไปคิดไปอ่านไตรตรองเพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งที่เป็นภัยอย่าให้มันมามัดเราอีกว่าทำอะไรก็ยากทำอะไรก็ยากเลยเลยมีแต่ยากไปหมดหาที่ก้าไม่ออกเพราะกิเลสมันตีขาไว้ขาหัก ท, ทั้งทั้งที่ขายัางไม่หักอ่อนเปียกไปหมดในร่างพอที่จะประกอบความภาคเพียน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 ก่อนยืนล้มก่อนนั่งแล้วตายก่อนเกิดแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งขันกับกิเลสละ่ะเรื่องอะไรมีแต่เรื่องกิเลสมันมันมดเราจะทั้งนั้นเรารู้ไหมว่าเราโง่ท่านท่านเราโงา่เราเชื่อทำผู้ริเจ้าสิการแก้กิเลสจะเอาอะไรมาแก้ถ้าไม่เอาทำมันขี้เกียจก็วิริยะรมเข้าแก่สิจะว่าไงผู้ริเจ้าแก้ด ว, วิริยะรมความอดความทนคืออดทำเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้อดทนเพื่อฆ่าตัวเองนี่นะเพื่อฆ่ากิเลสต่างหากัก อานำมาแก่เอานำมาฆ่าสิเราเป็นนักปฏิบัติให้ดูร่องรอยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะฉลาดยิ่งกว่าธรรมแหละเวลาทำได้ปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการพินิษพิจารณาด้วยความภาคความเพียรท่องแล้วแล้วจะนเหนือกิเลสเป็นลําดับลําดาบกิเลสขยับออกมาท่าใดวิธีใดนะทำจะปราบเอาหัวขาดหัวขาดหัวขาดไปเลยดังที่เคยได้แสดงแล้วว่าภาวนามายปัญญานั่นพูดเล่นเมื่อไร่ ไม่ใช่คุยพูดให้ท่านทั้งหลายมีแก่กิจแกใจพูดให้เป็นเหตุเป็นผลพูดให้เป็นหลักเป็นเกณฑพูดให้เป็นน้ำหนักพูดให้เป็นเครื่องระลึกพูดให้เป็นเครื่องฝังใจเพื่อการนำเนินว่าภาวนามายปัญญานั้นเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในตำรับตาลาว่าสุตตามายปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังกินตามายะปัญญาปัญญ า, ญญาเกิดนี่การไตรกองนี่เป็นธรรมดาของโลกทั่วๆไปก็ฟังได้คิดได้อ่านได้เกิดปัญญาได้ในเรื่องของโลกทั่วๆไปแต่ภาวนาปั ญ, ญาปัญญานี้ถ้าไม่เป็นจริงๆพูดไม่ได้ด้นไม่ได้เดาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นกับใจภาวนามายะปัญญานี่แหละคือปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเครื่องจัดทุกสิ่งทุกอย่างทันไปหมดเรื่องกิเลสตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียด ภาวนามายปัญญานี่จะขยับตัวขึ้นเรื่อยคล่องแคนวแก้วกล้าสามารถรวเดเร็วขึ้นเรื่อยเลื่อยเลยจงกระทั่งกิเลสตัวไหนขยับออกมาพัางเลยพังเลยนี่ให้มันเห็นอยู่กับใจของเจ้าของอาที่นักปฏิบัติมีตั้งแต่อ่านอยูต่ตำนตำหนับตำราตำหลับตำลาก็มีไว้อย่างนั้นและมีแต่ชื่อถ้าเราไม่นำมาเอาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นองค์เราจะไม่เห็นธรรมที่ท่านบอกไว้ในตำราซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเรานี่ยกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจ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 ภาวนามยปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อเาผาผลาญกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยท่านาบอกตปรธรรมตปรธรรมเครื่องแผดเผากิเลสมีภาวนามยปัญญานี่เป็นสาคัญการปฏิบัติสิะมันี้เห็นสิเป็นยังไงแล้วการมาแสดงทําให้หมูมาแสดงถึงภาวนามยปัญญาให้หมู่เพื่อนฟังนี้ผมได้เคยพูดหลายครั้งหลายวั น, นแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้โอ้วได้อวดพูดตามหลักความจริงที่เคยเป็นมาแล้วจริงๆไม่เคยเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาเราก็ไม่เคย บุญเวลาที่ที่จะปรากฏขึ้นมาก็เพราะการตะเกียบตะกายการล้มลุกคุกคลานเอาหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่มีถอยหลายครัง้งหลายหนมันก็พลิกเพรียงเปลี่ยนพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะการต่อสู้นี้แพ้ก็เป็นก็เป็นอาจารย์เป็นครูชนะก็เป็นครูแล้วเราทําวิธีไหนมันถึงชนะเราทําวิธีไหนได้ถึงได้แพ้นี่เป็นครูสอนเราแก้แก้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 ถ, ถ้าสิ่งที่เร็วซ้ําต่ําชาติทั้งหลายมันออกไปจากหัวใจสิ่งที่มืดดําทั้งหลายออกจากหัวใจแล้วความสว่างจ้าขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยหลักธรรมชาติของตนเองแล้วยังไงมันก็ปิดไม่อยู่นี่หละพระพุทธเจ้าท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์ท่านเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่หลับตาภ า, ายในคือตาใจนั้นดูนรกสวรรค์สวา่สวางจ้าท่านว่าอาโลกโกอุดปานี่หมายความว่างไงสว่างหมดทั้งโลกนอกโลกในไม่มีอะไรปิดบงังลี้ลับเลย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 บาปกรรมเมลาสายมนันลงไปนรกผู้ที่มีพื้เนเหนือสัตว์นรกแล้วทําไมจะไม่เห็นนรกดังพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นเห็ น, หนไหมนี่ในตํำหนักตำหนากั่นสวรรค์ผู้ไปสวรรค์ก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นจะว่าไงผู้ไปสวรรค์เขายังไปได้พระพุทธเจ้าทำไมเห็นไม่ได้พรมามโลกนิพพานยิ่งนิพพานด้วยแล้วคนมีกิเลสเห็นเมื่อไหร่ไปได้เมื่อไหร่พนสิน้นกิเลสไปได้พระพุทธเจ้าไปได้รู้ได้เห็นได้นี่แหละท่าน ประกาศกังวานอยู่3แดนโลกก็ถาดว่าบาปปีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีท่านประกาศออกมาด้วยความกระจ่างแจ้งในพระไทยของท่านไ ม, ไม่มีอะไรปิดบงังลี้รับเลยนั่นท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นท่านนําสิ่งที่รู้ติเห็นแล้วมาประกาศสอนโลกจึงทรงประกาศได้ดวยความอาจฐานชานชายัยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาชาในา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 ก็คือทำบาปนั่นแหละแต่มันไม่ให้บอกว่าบาปมีถ้าว่าบาปมีนี่จะกลัวสัตว์โลกจะกลัวมันบอกว่าบาปไม่มีเอาทำลงไปมีแต่บาปทั้งนั้นที่มันให้ทำเนี่ยให้ทำลงไปแล้วตกเขาโลกหมกไม่มใครไปตกคนบุญเขาไปตกเมื่อไหร่คนบาปไปตกเมื่อคนบาปยังไปตกได้คนบุญทํำไมเห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างากระจ่างแจ้งไปหมดอรโรกูเดปานี่วางเลย สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถีสว่างไปหมดทั้งโลกนอกและในทำไมจะไม่เห็นในโกทำไมจะไม่เห็นสวรรค์เป็นของมีอยู่ตั้งดั้งเดิมมาตั้งแต่ ก, กี่กับกี่กันแล้วนี่ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่อืมนโลกสวรรค์นิพพานพรห ม, มโลกเห็นหมดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอา๋อใครมันเปิดจิตตกต่ำไรแล้วยาท้าวพระพุทธเจ้าเลยพระราหานทั้งก็เห็นเหมือนกันจะว่าไงแต่ท่านไม่นักเป็นบ้าอว๊ดมิจะสอนคนด้วยความอาถารพชานชายัยโดยที่ท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลย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 นรกก็จะได้เบาบางจะไม่มีแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเดือนจําไม่ว่าแห่งไหนแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่นักโทษทั้งนั้นแต่หมดคนที่คนดีเขาไม่ไปละ่ะนี่แล้วจ ง, จงดีไม่ดีเดือนจำหรือนั่นอาจจะไม่มีที่บรรจุนักโทษโ ด, ดยซ้ําไปมันแน่นนี่เพราะคนไม่มีหฮดีโอตปะคนสําคัญตนว่าดีกว่าใครๆแล้วติดเอาติดเอาติดเอ า, เอางั้นสินี่ก็เหมือนกันอเราก็กลัวแล้วเกินวันนรก แต่ไม่เคยได้ยินนรกแตกนะเราอยากเข้าใจว่านรกเมืองผีจะเหมือนกับนรกเมืองคนคือเรือนจํานี่นะเรือนจํานี้เต็มได้แน่นได้ออชวนนรกเมืองผีนั้นฟังแต่ว่ากรรมเถอะบันดลบันดาลมัดเจ้าของไว้อยู่ในนั้นอนะแน่นกับแน่นเฉพาะเจ้าของนรกไม่แน่นร้อนก็ร้อนเฉพาะเจ้าของนรกไม่ร้อนนี่ทุกก็ทุกเฉพาะเจ้าของผู้ตกนรกนั่นแหละแต่นรกไม่ทุกนั่น มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงวันนรกไม่แน่นมันแน่นอยู่ในหัวใจแน่นอยู่ในตัวของผู้ไปเสวยกรรมนั้นต่างหากนี่ใครกล้าก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาลงไปสิเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นเนี่ยใครใครใครเก่งคนนั้นนาจจะโดนเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำนะมีแต่ตัวสําคัญสำคัญค่าตัวเก่งตัวเก่งนั้นน่ะมันไปอัดแน่นกันอยู่ในนั้นะเป็นยังไงนี่ก็เหมือนการทำนี่ผู้องศ์สอนมาเป็นคู่ร่วกู่ทำมากับใดกันใดแล้วพระพุทธเจ้า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 พระธเจ้ามาตรัสรู้แต่และพระองค์เจิ้งทําประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินเลยในโลกฐานนี้นี่เราได้อวอัตธรรมของพระพุเจ้ามาสั่งสอนตนเองเราจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ยังทำมาได้แล้วโห้ยตายแล้วอย่าให้มีกุศลานะมันลําบากเหลือเกินเราไม่มีความฉลาดจะให้มาใครมากุศลาให้เป็นความลําบากแก่เรามันเป็นไปไม่ได้ต้องสอนเจ้าของให้มีความเฉลียวฉาดตั้งแต่บัตรนี้แต่เจ้าของให้ได้ตั้งแต่บัตรนี้พังกิเลสลงจากหัวใจแล้วอยู่นะอยู่เธอมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์ละ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 หลอกลวงสัตว์โลกนะว่าอย่งไรจริงอย่างนั้นเพราะเออถอดออกมาจากของจริงมาว่ามาว่ามาสอนเห็นจริงๆรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นกุลจริงๆแล้วนํามาสอนจะผิดไปไหนถ้าผิดไปจะเรียกว่าสวาคาทําตรรพิชอบเหรอนั่นมันไม่ชอบอยู่แลนี้ก็คือตัวขีเลียดมันขัดมันขืนมันปิ้นป้อนหลอกลวงตัวของเรานี่ให้หลบปีกปีกอัดปีกทําไปสู่แดนแห่ง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 เป็นเครื่องสอนโลกได้นำโลกให้มีความรบเย็นเป็นสุขและให้พ้นภัยได้คือธรรมถ้าเราอยากจะเป็นผู้มีความอุ่นภายในตนแล้วให้พึงยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์เถอะอ้าวตายเหมือนโลกนั่นแหละแต่หัวใจนี่มันไม่เหมือนหัวใจนี่เย็นคนมีอัตนีธรรมเราจะให้กิเลสมันหลอกเท่มกิเลสมาตบหูตบตาหลอกทั้งวันทั้งคืนผมยิ่งมาหลอกอย่างพระนินามันน่าทุเรศโดยจริงๆนะ หลอกยังไงก็หลอกว่ามันมันหลอกมันไม่ให้กลัวบาปแล้วสิจะว่ายงไงบาปพระพุทธเจ้าแท้แทยังกลัวสาวกอรารานท่านกลัวกันทั้งนั้นเราบุตรชนที่ชนตะไปเลยไม่กลัวไม่กลัวบาปมันก็เจอแต่บาปแลส้สินี่สิสาคัญตรงนี้เนี่ยให้น้อมับระวังกันนะไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปก็เท่ากับไม่กลัวนรกอ่ะที่มันจะถูกเผาแน่ๆคนเก่งๆอย่างอย่างคนตาบอดเนี่ย ไม่ได้เหมือนคนตาดีคนตาดีว่าเห็นจริงๆเมื่อว่าเห็นมันเห็นจริงๆหลีกจริง ๆ, ๆไม่โดนแต่คนตาบอดมันแบบไม่เห็นแต่มันโดนจะว่าไงอันนี้แดี๋วพวกเรามันบอดไม่เห็นนะโดนแต่บาปโดนแต่นรกเราจะไปลือ้อเราจะไปทําลายนรกได้ยังไงถ้าทําลายนรกได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จะทําลายโรกแหลกหมดไม่ให้สัตว์ทั้งหลายไปตกไปทรมานเลยนี่ก็ทําไม่ได้นั่นเองสูตรวิสัยจึงต้องสอนวิธีหลบหลกีกนรก ด้วยการไม่ทำบาปทำกรรมให้พยายามสร้างความดีทั้งหลายอย่าเป็นคนคืบคนล้าสมัยแล้วกิเลสมันหลอกว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทันสมัยธรรมะเป็นธรรมชาติที่คืที่ล้าสมัยนี่ล่ะทีนี้คนไปวัดไปว่ามันก็หลอกมันหัวเลาะเยอะแยะว่าคนเป็นคนคืคนล้าสมัยคนบำเพ็ญคุณงามความดีมันน่าคนคืบคนล้าสมัยกิเลสมันหัวเลาะเยอะแยมันออกสนามมันออกตลาดเพ่นผ่านไปหมดเวลานี้มีแต่อย่างนั้นนะ เราเอาให้ดีนะั้นระวังให้ดีนะอย่าให้กิเลตนั้นมาหัวเราะตบหน้าผากแล้วนะว่านรกไม่มีเอว่าบาปไม่มีว่าการพ้นปฏิบัติในศีลธรรมทั้งหลายนี่เป็นโมฆะเป็นขวางเหลีวไหลตัวกิเลตนั้นแหละตัวมันหลอกมันลวงนั่นแหละตัวมันเหลีวไหลที่สุดถ้าผู้ปฏิบัติตามกิเลสแล้วจะเหลีวไหลด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยท่านทั้งหลายจำมาไว้นะอืการประกอบความภากเพียรระวังกิเลสมันจะมาหลอกนะหรือรว่าให้ดีตรงนี้ นั่งสมาธิมันก็หลอกเดินยงกลมมันก็หลอกทุกียาบทมันหลอกทั้งนั้นทุกขณะกิจที่คิดออกมีแต่กิเลสถุดลากไปหลอกไปทั้งนั้นทําไม่ได้ดึงไปได้เลยเพราะสู้กําลังของกิเลสไม่ได้นั่นนี่แหละคลือหมายเหล่าที่นี้่ทันสมัยกับกิเลสได้ทันฟืนทันไปแล้วเผาเอาเผาเอ า, เ, าเนี่ยดีไหมพินาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจคปฏิบจารณะมาอย่ามาอยู่เฉยๆเด่นๆด้านๆ ผมเนี่ยแก่ลงไปทุกวันทุกวันแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่เหนื่อยแม้แต่ขนานี้ผมก็เหนื่อยแต่ทนเอาแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยกําลังใจจริงๆด้วยกําลังเมตตาสงสารจริงๆไม่ได้ด้วยการเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงพูดตรงๆนี้ว่าการเทศจริงเผ็ร้อนเผ็ร้อนเพราะอะไรเพราะพลังของกิจนั่นเองพลังของความเมตตาสงสารจะว่าพลังของธรรมจะผิดไปไหนวะเออเราปฏิบัติธรรมเราพูดธรรมไม่ว่าพลังของธรรมจะว่าอะไรเราไม่ได้หากิเลสมาพูดนี่นะเราไม่เอากิเลสมาเป็นมากุลนิพพานแล้วจะเป็นพลังของกิเลสได้ยังไง